ประโยชน์ขั้นตาเห็นเป็นปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมิกัตถานี้ซึ่งเป็นความสุขในระดับรูปธรรมเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเสพของบริโภคและการอยู่ร่วมกันการจัดสรรความสัมพันธ์ให้ดีงามเกื้อกูลว่าโดยสรุปก็ได้แก่ 1. การขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน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 ดำรงรักษาตระกูลวงให้เป็นแบบอย่างเป็นที่นับถือเอื้อประโยชน์สุขแก่สังคมและสี่การดูแลร่างกายบริหารสุขภาพเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคกินพอดีให้อยู่สบายไร้โรคแข็งแรงสมบูรณ์ส่วนความสุขพระีตเป็นอิสระข้างในที่เป็นไทยแก่ตนจำพวกนิรามิสสุขนั้น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 เป็นภาวะที่ไม่ปรากฏ ต, ต่อหน้ามองเห็นประจักษ์แก่ตาไม่ได้ตัวอย่างเช่นในฝ่ายที่ธรรมมิกระทะคนมีของกินเสพ บ, บริโภคพรั่งพร้อมบริบูรณ์ถือกันว่ามีความสุขก็มองเห็นชัดอยู่แต่ในฝ่ายสัมปรายกัถะคนไปช่วยคนอื่นให้เขาพ้นทุกมาแสนจะปราปลื้มใจมีความสุขหรือมีศรัทธาดื่มดำซาบซึ้งในธรรมในความดี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 ก็รวมความสุขอย่างประนีตอิสระภายในทุกอย่างตั้งแต่ความสุขจากความมีศรัทธาความมีศีลดีงามสุขจากสมาธิสุขจากฌานจนแม้กระทั่งนิพพานสุขดังนั้นในที่ทั่วๆวไปในพระสูตรทั้งหลายจะกล่าวถึงอัตถะเพียงสองอย่างคือทิฏฐ ธ, ธรรมิกะะและสัมปรายิกะะ ซึ่งก็เป็นการเหมาะที่จะพูดสอนชาวบ้านทั่วไปพูดแค่ความสุขที่เขาคุ้นอยู่กับตัวและอย่างหนึ่งก็คือสุขที่เลยจากนั้นไปก็จะพูดกันง่ายหน่อยแต่อย่างที่กล่าวแล้วในบรรดาความสุขอย่างอิสระนิรามิษนั้นสุขหลายอย่างก็ยังไม่สมบูรณ์กลับกลายได้ติดได้ประมาทได้ดังนั้นบางที เมื่อพูดกับผู้ที่มีภูมิอยู่บ้างแล้วและศึกษากันจริงจังก็เลยต้องแยกให้ละเอียดออกไปแล้วจากสัมปรายกถานั้นก็แยกเอาความสุขแท้แห่งอาสวัคไขคือสุขของพระอรหันต์หรือนิพพานสุขให้ต่างห่างออกไปและมีชื่อที่เรียกให้ว่าปารมัฏฐะแปลว่าประโยชน์สูงสุดเป็นอันว่าอัถะคือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิต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 เน้นให้มีสุขภาพรัพยศเกียรติไมตรีบ้านที่เป็นสุขสองสัมปรายกัตถะประโยชน์เลยตาเห็นเน้นให้มีจิตใจงามประณีตเป็นสุขด้วยการเจริญจิตปัญญาสามปรมัภประโยชน์สูงสุดมีปัญญารู้แจ้งที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานเป็นสุขอิสระแท้จริง นอกจากให้พัฒนาชีวิตก้าวสูงขึ้นไปเพื่อเข้าถึงอัตถ h ทั้งสามขั้นนี้แล้วก็ให้มองกว้างออกไปที่จะบำเพ็ญอัตถ h ทั้งสามนั้นไม่เฉพาะแก่ตนเองแต่ให้ช่วยผู้อื่นและช่วยกันด้วยจึงมีอัตถ h สามอีกเป็นชุดที่สองดังนี้ 1. อัตถาจุดหมายเพื่อตนหรือประโยชน์ตน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 พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนบรรดาสาขาระชชนคนชาวบ้านให้ปฏิบัติธรรมที่จะนำมาซึ่งทิฏฐธรร ม, มิกขถะให้รู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นอย่างถูกต้องและเกื้อกูลคำตรัสสอนเหล่านี้กระจายอยู่ในที่ต่างๆในพระไตรปิฎกอันหนึ่งเมื่อทรงสอนหลักธรรมเพื่อประโยชน์ขั้นตาเห็นนั้นนอกจากทรงย้านิสธรณะปัญญารู้ทางรอดที่กล่าวแล้ว ก็จะส่งสอนธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยตาเห็นคือสัมปรายกัตถะควบไปด้วยเพราะธรรมในระดับของความสุขที่ปรนนีนั้นนอกจากเป็นหลักประกันสำหรับตนเองที่จะไม่ให้กรรมสุขที่สร้างขึ้นมาเป็นพิษเกิดโทษแก่ตนเองแล้วก็เป็นประกันที่จะไม่ให้การมาสุขของตนนั้นก่อทุกข์ภัยแก่ผู้อื่นหรือเบียดเบียนสังคมแต่ตรงข้าม